ผลต้นไม้ผลมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วก็บางทีถูกลมพัดมันก็โดนลงแต่ยังเป็นด อ, อกอย่นั้นก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆแล้วถลมมาพัดไปก็โดนพิ้งไปก็มีบางช่อยังไม่ได้เป็นผลเล็กเลยเป็นด อ, อกดังนั้นแ่ะมันหักไปลงพัดบางช่อก็เป็นลูกโตๆแล้ว เกือบจะหามแล้วก็ลมพัดถูกลมพัดตกไปก็มีบางผลจนจะสุกแล้วมันดูนไปก็มีลมมันพัดคนเราเหมือนกันเกิดมาบางทีก็อยู่ในท้องก็ตายก็มีออกมาวันสองวันตายไปก็มี เดือนสองเดือนสามเดือนตายไปกว่ามีเนี่ยมันเติบโตเลยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตายไปกว่ามีอย่างนี้บางคนก็ท้อเสียชราแล้วทีงตายไปกว่ามีเมือนนึกถึงบุคคลแล้วก็นึกถึงผลไม้ที่มันไม่แน่นอนนักบวชเราก็เหมือนกันอย่างนั้น บวชพรรษาหนึ่งศึกไปก็มีบางทียังไม่ได้บวชเลยเป็นผระขาวนะพาพรขาววิ่งหนี้ก็มี <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บวชเป็นขาวเลยบางคนโคลนผมตอนนี้แล้วก็มีบางคนก็อยู่พันสามเดือนสี่เดือนหนีก็มีบางคนไม่บวชเป็นเนิ่ง เปิดเป็นพระพรษาสองพรรษาแล้วสึกไปก็มีสี่ห้าพรรษาแล้วสึกก็มีเหมือนกับผลไม้อยู่ในป่าเอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลาไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดก็ตกไปโดยไม่ได้สุกจิตใจมนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดไป ปลุกอารมณ์มาชุดไปมาดึงไปตกไปก็เหมือนกันกันกบผลไม้พวกตะโงงตั้ก็กเห็นเหมือนกันเห็นสภาพของธรรมชาติของผลไม้ใบไม้เดี๋ยวนึกถึงสภาวะของสะเนรซึ่งเป็นบริษัทธบริวารของท่านก็เหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติแล้วก็ถ้ามีปัญญานะถ้ามีปัญญาเราดูอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะมีครูบาอาจารย์แนะนำสอนจนมากมาย พระพุทธเจ้าของเราที่ประวดติในคราวที่เป็นแทนกุมารท่านก็มาได็กเรียนอะไรมากมายมท่านไปเห็นปมาโมกมในสวนอุทยานท่านนั้นไปไปชมสวนอุทยานกับอมตะทั้งหลาย ขึ้นหลังช่างผ่านไปก็เห็นมะม่วงที่มันอยู่ในสวนมันเยอะทรงดีประไทยว่าสับมาจึงจะเสวยก็ผ่านไปพวกอมตะอยู่ข้างหลังก็ เก็บมามง่งใส่ดลยกระบองบังอ้ยแสบบางในใบมันขาดจริงมันหักเพื่องม่งจะเอาลูกมันมาทานกันหมดตอนเย็นกลับมาผ่านย้อนอดอุทยานมาขนกกุมารขึ้นเป็นะเจ้าแผ่นดินคนนึกว่าจา เสว้ผลไม้ทั้งหลายนั่นจะคีมรสมันดูว่ามันเคี่ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างไรกลับมาตอนเย็นไม่มีเลยจริงมันก็หักใบมันก็ขาดเพราะอมาดทั้งหลายมันฟาดมันเนียมันยับยืนหมดเลยท่านก็ถามว่าต้นมะม่วงต้นนี้ทําไมจริงมันพึงหักใบมันพึ่งขาดโดนไปหมด เขาบอกว่าพวกอมาตทั้งหลายเอากระบองตอีมันฟาดมันเพื่อจะเอาผลมันมาบริโภคฉะนั้นใบมันก็ถึงขาดกระจัดกระจายไปหมดจริงมันก็หักท่านกระบองเห็นมะม่วงอีกต้นหนึ่งว่าต้นนั้นทํามันทํามันหรือทำไมจริงมันถึงไม่หัก ต้มมันถึงเย็นต้นนั่นเพราะว่ามันไม่มีผลถ้ามันมีผลคนก็ไม่ต้องการมันเพราะก็มีขวางมันใบมันก็ไม่โดนกิ่งมันก็ไม่หักอืถ้าเขาเข้าใจเท่า น, น, นี้ก็ดีก่อเสด็จมาถึงพระราชสวังปิจิรณามาอืมเรานี่มันทุกข์มันยากมันลาบากก็เป็นพระมหากษัตริย์ เดียวทรงห่วงใยราษฎรทั้งหลายเดียวเขาจะมาลบเอาแหลมนั่นเขาจะมายึดเอาทางนี้วุ่นวายแม้ถึงนอนอยู่ก็ไม่เป็นสุขยังขวัญไปอีกแล้า ม, มาคิดเท่านั้นทัน่าเห็นต้นม่วงต้นนั้นด้วมันไม่มีรูปมีใบสดมีร่มเย็น เราเนี่ก็ทําเหมือนมะม่วงต้นนี้มันก็ไม่สบายดีจริงมันจะไม่หกักดีร่มมันก็จะเย็นพอดีมาถึงบ้านเราก็ภาวนาเลยออกบวชได้อาศัยเป็นมะม่วงเท่านั้นแหละท่านไปดูต้นมะม่วงต้นนั้นเนี่ยตัเปรียบเทียบเทียงกับมหาเหลา่าพอท่านมันมีผลธมา หลากไม้ต้นมันก็ลำบากใบมันก็ลำบากกิ่งมันก็ลำบากมันยับยืนไปมันพังมันหักไปก็เพราะมันมีมีมีผลต้นไม้จะไม่มีผลแั่สบายดีใบมันก็ไม่โดนกิ่งมันก็ไม่หักลมมันก็เย็นแันนั้นถ้าเราไม่ควบคันอยู่ในคารวะนี้นะพ่ะย่าจะเป็นผู้ไปคนเดียว ไม่มีความคิดมากมันมีความลำบากมากจิตใจก็จะสบายท่านออกบวทงั่นเรียกว่าใครถามว่าท่านใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านบอกว่าต้นมะม่วงออกบทเพ่อใครก็ใครเป็นอุปชาวะต้นมะม่วงเป็นอุปชาเนี่ย ไปที่ไหนถามว่าใครเป็นอุปชาอาจารย์ของท่านต้นมะม่วงเป็นอุปชาอาจารย์ของฉันเนี่ยท่านนั้นเนี่ยมาได้แนะนำตามสอนเลยมากมายหรอกต้นมะม่วงเป็นเหตุให้ท่านมีความคิดน้อมต่อไปเป็นโอปนายนิพพานเพรท่านก็ทําภาลัยน้อย เป็นคนที่มากน้อยเป็นคนที่สะโดดเดิจากสวรรค์สมบัติจิตใจก็สบายออกบวชอันนี้ในคราวที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญมาเรื่อยๆมาอย่างนี้นี่ก็เมื่นการท่านนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้มันเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะสอนเรา ถ้าเราทําปัญญาให้เกิดนิดเดียวเทานั้นแนหะมันจะรู้แจ้งแทนตลอดในโลกนี้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เตรียมพร้อมที่จะสอนให้พวกเราอยู่แล้วต้นไม้เครือเสาเสาวันทุกตะตามในโลกนี้มันสแสดงลักษณะอาการของมันตางความคิงอยู่อย่างนั้นทุกอย่างถ้าบุคคลมีปัญญาเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเดียนที่ไหน รู้าที่มันเป็นอยู่ของธรรมชาตินี้ก็ปัตรู้ทำได้เหมือนพระเจ้ากุ ม, มารเพราะสิ่งทุกสิ่งนั้นมันเป็นไปตามความจริงอยู่ไม่ไดขาดเลยธรรมีปัญญาพรรสังวรสังรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้นนะ มันก็ปรุงอนิจจังสุขขังอนัตตาได้เะนะั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกทุกต้นเราก็เห็นอยู่ในบนพื้นพจีนี้ต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นเปแนวเดียวมันจะเป็นเปในแนวอันเดียวกันเป็นเปนในแนวอนิจจังสุขขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรตัญญาง ท, ทุกต้นเสมอกันหมดต้นไม้มีเกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นทุกต้นแล้วก็แปรไปในทางต่างๆเป็นต้นขนที่สุดมันก็ดับไปอย่างนี้ทุกต้นเนี่ยถ้าเราเห็นต้นไม้เป็นๆนั้นเราก็น้อมประมาถึงตัวตัดตัวบุคคลเราตัวเรากระบวนคารนค่นดูดกระบวนกั น, น, น, ก ม, น, กนมันก็มีความเกิดขึ้นเป็นผลต้น ในท้างกลางมันกบแปรไปเกิดขึ้นบางต้นมังก็สร้างอยู่สร้างอยู่ได้บังกบแปลไปเปลี่ยนไปผมที่สุดก็สลายไปนี่สแสดงว่านี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นในหลายต้นก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวกัน พค่ว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งของมันอยู่เมื่อมันตั้งอยู่แล้วมันก็แปรของมันไปเมื่อมันแปรไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันก็หายไปซาบซูนไปดับไปสิ้นไปเป็นไคยะไวยังมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยอืม มนุษย์เราทั้งหลายผมเหมือนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่อยู่ศึกษาอยู่วยปัญญาวยสติสัมปชัญญะเราจะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์ของเรานี้เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วพอตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแปรไปแล้วก็เปลี่ยนไป สลายไปถึงสุดกรจบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นคนคนทุกๆคนในสัพนโรคอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันฉะนั้นถ้าหากเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแน่ของมันกันจะเห็นคนท้งโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนอกนั้นไปทุกสิ่งสารพัดอันนี้เป็นธรรมะ สิ่งเราไม่มองเห็นโดยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดมันก็เกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วความคิดกะแปรไปเมื่อแปรไปได้วก็สาดสูนไปเท่านั้นเรียกนามมาทำสักก็จะความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็หลับไปเนี่ยนี่คือความเป็นสริงมันเต็มอยู่อย่างนั้นอันนี้ร่วงเต็มไปอริยสัจจะทำทั้งนั้น ถ้าเราไม่มองดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นอมไม่เห็นอืแฉะนั้น เ, เรามีปัญญาได้เราจะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่ตรงพระพุทธเจ้าอืมอยู่ตรงนี้แต่พระสงฆ์อยู่ตรงไหนพระสงฆ์ก็อยู่ที่พระธรรมพระธรรมก็อยู่ที่พระพุทธ นี่เราตรงมาไปจุดเดียวกันอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าไ อ, อ, อ, อ้ความจริงในโลกอันนี้มีอยู่อือาานามธรรมคือความคิดรู้สึกนึกคิดนี่ก็เป็นของไม่แนนอนอนมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วความโกรธมันก็ตั้งอยู่เมื่อความโกรธตั้งอยู่แล้วกความโกรธก็แปรไป เมือเ่อแปรได้ความสุขต้องขอสลายไปเนี่ยอืเมืม่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขมันกิตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วเป็นต้นความสุข ก, ก็แปรไปเมื่อความสุขแปร ไ, ได้ความสุข ก, ก็สิหายไปหมดเนี่ยก็ไม่มีอะไรอืมอมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการทุกเวลาอืทางรูปอันนี้แต่ทางนามอันนี้ ทางของภายในคือรูปนามะ น, นี้เป็นอยู่อย่างนี้ทางของภายนอกคือต้อนไม้ภูเขาเถาวัล์ทุกประการนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติถ้าใครเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะจะเป็นผู้รู้จักธรรมะ มไม่ตีกใจืพรฉะนั้นถ้าผู้มีปัญญาจะไม่จำเป็นเพราะมันเกิดดับเกิดได้มันดับเกิดได้มันดับอยู่ทุกเวลาทุกการทุกสมัยอยู่ก็มีพ้างมันอยู่เพราะนั้นพวกเราทาั้งหลายนั้นธรรา ม, ามีสติ มีความบริสุ์ได้อยู่สำตะันจะมีความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็พร้อมที่จะเปิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงอยู่แล้วทุกเวลาทุกการทุกเวลาอืม แคนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ตายแต่บุคคลเราเขาจะถ่านตายไปแล้วท่านมีปานไปแล้วตอนเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านไม่มีพานและก็ท่านยังอยู่และก็ท่านยังช่วยมนุษย์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลา คือธรรมะนั่นเองใครทำดีก็ต้องได้ดีอยู่วันอย่างธรรมใครทำชั่วมันก็ได้ความชั่วอืมเรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นเลยก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าธรรมนี่เองเป็นต้นธรรมพระพุทธเจ้าของเราให้นป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระธรรมท่านจึงตรัสว่าภิสุจทั้งหลายใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเรา ใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมสแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมพระธรรมนั้นก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่แต่จักโลกเออ ไม่สูญหายเหมือนกันกันกบน้ําในพื้นแผ่นดินนี้มีอยู่บุรุษขุดบอ่ลอลงไปให้ถึงน้ําก็เห็นน้ำในใช่นเาบุรุษนั้นไปแกงน้ําไปทําน้ําให้มีขึ้นบุรุษนั้นลงกําลังขุดบ่อเท่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ําน้ํามันมีอยู่ ไอเบูดูท่านไปแต่งน้ำอันนี้ก็ดันไรฉันนั่นเหมือนกันก็พาพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้ปัญญาปัญญิธรรมะปัญญากับัญญิที่มันมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วเป็นพิจารณาเห็นธรรมะไม่ได้ไปแต่งธรรมะธรรมะคือความจริงมีอยู่แล้วท่านจะเข้าไปรู้ความจริงันนั้น ความจริงอันนั้นมีอยู่แต่นั้นจริงเรียกว่าพระพุทธเจ้าถนาดัดสัดรู้ธรรมจัดรู้ธรรมพระพุทธเจ้าจัดรู้ธรรมคือไปรู้ธรรมที่มันมีอยู่ไปรู้ธรรมไปรู้สภาวะที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่กันไไปแต่แงตั้งขึ้นมามันเป็นกบบระบอกที่ขุดบอกไม่ได้ไปแต่แงน้ําไม่ได้ไปทําน้ําให้มันเป็นน้ำคือน้ํามันมีอยู่แล้ว เทียงเสว่าลงกําลังขุดบ่อเท่านั้นลงไปให้หรื้อเศษน้ำกันนั้นในธรรมะที่มันมีอยู่นี่คือความจริงในโรคนี้ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นไปนแสงตั้งมันคือมันมีอยู่แล้วกันนั้นพระพุทธเจ้านั้นไปเห็นธรรมพรเดียว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือพระธรรมที่ไปกัดกรูธรรมะนั้น ตรู้นั้นคือรู้ธรรมนั่นเองเแหละจะ ต, ตอบพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็ยังอยู่พระพุทธเจ้ายังไม่ตายพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ยังไม่ตายท่านจึงบอกว่าใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราเนี่ยใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมนี่ตัวแสดงว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือประธรรม ถ้าทำนี้เป็นเหตุให้บุรุษทั้งหลายมีเป็นผู้รู้เป็นพระพุทธเจ้าอใครจะเห็นธรรมะจะเห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเมตาตมากาุณาสัตว์ทั้งหลายอยู่ยังช่วยมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ตามเวลาถ้ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีความประพฤติปฏิบัติดีจงลักพักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อธรรมะ บุคคลนั่นก็ยังมีตุลาความดีอยู่ตลอดทุกวันนี้ขาดไปทางไหนเป็นอ ย, อย่างนั้นอืมแต่นั่นพอเรามีปัญญาแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ห่างพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าอืมเป็นต้นเมื่อเราเข้าใจในธรรมะเมื่อไรเนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นอืม ฉะนั้นธรรมะก็ยังมีอยู่พธธ ร, ระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่พวกเราทั้งหลายนันก่ตรงตั้งใจถ้าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นนั้นว่าสิ่จบลงแล้วในการประพฤติปฏิวัติเราจะนั่งที่ไหนจะยืนไปเดินที่ไหนไปฟังธรรมของพธธระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวล า, รา จานั้นท่านจึงจะอยู่ในที่สงบสังวรสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกรื่นกายจิตนี้เป็นหลักไว้เพราะสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นที่อื่นก็ควรจะจับจึงหวัสังวรจังหวัดสังรวมให้รู้จักอืมเหตุที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกลื่นกายจิต แต่ความดีทางหลายเกิดขึ้นทีน่นี้ความชัว่วทางหลายก็เกิดขึ้นที่นี้ออินทรีย์ทั้งหลายนี่ก็อยู่ในตัวของเราเต็นใหญ่ตาจะเป็นใหญ่ในการเห็นลูกหูจะเป็นใหญ่ในการฟังเสียงเจ้าหมูนั้นก็เป็นใหญ่ในการสูดดมรินก็เป็นใหญ่ในการดื่มรสร่างกายนี่จะเป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง เป็นต้นจิตใจนี้ก่อนทีเป็นท่านเราเป็นธรรมารมเสดขึ้นมาท่านนี้ว่าอินทรีย์ทั้งหกนี้เป็นผู้เป็นใหญ่มีอยู่แล้วในตัวของเรารอบเพราะนั้นเสียเวลาผู้จะมาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยเป็นของง่ายเป็นของไงองมย่ยาก อะไรทุกอย่างเขาพระพุทธเธจเ้าท่านบอกหรือมดทุกอย่างคล้ายๆว่าท่านสร้างสวนผลไม้ไปสวนหนึ่งเราไม่ต้องสร้า ง, ง, าางนะท่านมาเชิญพวกเรทาทั้งหลายไปกินผลไม้ที่สวนที่ท่านปลูกไว้เท่านั้นศีลกด็ดีสมาธิกด็ดีปัญญาก็ดีข้อประพฤติติวัดทุกประการนั้ น, ท, น, น, นท่านแนะนําทนสอนหรือมดทุกอย่างไม่ใช่ว่ามันไม่มี น่าไม่ต่องไปแตงเอาไปตั้งเอาไปบรรยัตเอาไปคิดเอาพ็มา ท, าทาําตามสิ่งที่มันมีอยู่นี่ที่เราพบไปจ่ายส่งสั่งสอนในนี้มันมีอยู่แล้วอย่างนั้นครูเรามเป็นคููมีบุญเป็นครูมีโชค อ, อืมมาพบของที่มีอยู่แล้วสวนทัานมีอยู่แล้วผลธรามให้ก็มีอยู่แล้วอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดทั้งนั้นพรโมดีบุญสมบูรณ์แล้ว ขาดแต่บุคคลจะไปรับรทานผลไม้เท่านั้นอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันโอวัตธรรมะคาสอน ข, ของพระ พ, พุทธเจ้าผิดตตูตู ก, กูตควรกูีมิควรกูีท่านสอนมดทุกิ่งชุกประการเนี่ยยังเหลือแต่บุคคลจะมีศรัทธาเข้าไปป่อสุดปฏิบัติเท่านั้นก็พอแล้วฉะนั้นจึงเห็นว่าพวกเรามีมโชคหลายมีบุญมาก ม่อมองไปถึงสัตว์แล้วสัตว์ทั้งหลายมันจะเป็นเป็นสัตว์ที่มีอาภัพมากเช่นวัวควายหมูหมาสัตว์ต่างๆนั้นเป็นสัตว์อาภัพไม่มีโอกาสที่จะรู้ ร, รมไม่มีโอกาสที่จะเรียนท ร, ร ม, มีโอกาสที่จะปฏิบัติรม เมื่อมีมโอกาสที่จะเรียนทมจะรู้รมจะปฏิบัติทมจะเห็นธรรมแล้วก็ไมนมีโอกาสที่จะปนทุกข์นี่นี่ยี่เดวสัตว์เป็นสัตติอาภัพสัตทีเสวิยกรรมเป็นอยู่เป็นต้น ม, มนุษย์เราทั้งหลาย น, นี้ไม่ควรทำตัวอะไรเป็นมนุษย์ที่อาภัพ คือไม่มีข้อปฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาพัฒคือคนหมดหวังคือคนหมดหวังจากมรรคผลมิพานคนมีความหมดหวังจากคุณงามความดีเป็นต้นอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังแล้ว อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นคนอาภัพจะเป็นคนอาภัพเหมือนสัตว์ทั้งหลายเหมือนสัตว์เจ้าชานทั้งหลายเป็นสัตว์ที่มีอาภัพคือม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวงร้อมของพระพุทธเจ้าเนี่ยอืมฉะนั้นมนุษย์เหล่านี้จึงเป็นผูมีบุญวาสนาบารมี ที่สมควรถ้าหากว่าบุคคลดาทาั้งหลายนี้มาปรับปรุงความเข้าใจความเห็นความรู้ของเจ้าของในปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุที่จะได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ทรรมให้เห็นทรรมในสําเหนือที่เกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้แต่นั้นมันจิงต่างจากสัตว เป็นพระพระสัต์มาเป็อาภัสร์ัตว์เป็นสัตติโวรกัตธุธรรมอือันนี้พระพุทธเจ้าจริงแนะนําำสอนพวกเราทั้งหลายว่านี้ธรรมะก็มีอยู่นี้ต่อหน้าของพกคนทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้านี้ก็นั่งอยู่เฉพาะหน้าของคนทั้งหลายนี้มีอยู่แล้วอืม ท่านจะไปหาที่ไหนเมื่อไหร่จรึงเป็นที่ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่จะสมควรอืนี่ยกระทําดีเดียวก็ดีดีเนี่ยกระทําชั่วก็ได้ชั่วเห็นอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้อืะนั้นจึงเรียกว่าพวกเราทั้งหลายนี้เป็นคนที่มีบุญ เหนือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเินสัตยิรชานทั้งนั้นถ้าหากว่าเราคิดไม่ถูกไม่ไปประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นต้นมันก็จะกลับลงไปเป็นสัตยิรชาญเป็นสัตย์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นยักษ์ เป็นผีาสารพั์อย่างมันจะเป็นได้อย่างไรเราก็มองดูในจิตของดา น, นี้เมือ่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมือ่อความหลงเกิดขึ้นได้มันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโรคเกิดขึ้นได้มันเป็นยังไงภาวะทางหลาย่านี้แหละมันเป็นภพเป็นภพแลยมันก็เป็นชาติ